ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังการแสดงธรรมเรื่องผู้เจริญไม่มีวันตกตำ่ำโดยสมณทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่26ธันวาคม2542ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นะับบัด น, นี้ค่ะ หน้ายี่สี่ข้อที่ยี่สี่พอดีเลยนะลงตรงเงินพอดีผู้เจริญไม่มีวันตกต่ำเนะี่ยจากหนังสือสรรค่าสร้างคนเห็นบอกชมมารอไปแจกแพบเดียวหมดเลยเหร อ, อให้ไปสามร้อยเล่มเอ๊ะแจกแปบเดียวหมดเลยเ อ, เอ้าวเรอไม่ใช่แบบว่าใครสนใจก็ค่อยเอา หรือเร่มนี้มันเป็นเหมือนกับหลักปฏิบัติของเราเลยของชาวโศกเราลองมาดูข้อนี้สิผู้เจริญไม่มีวันตกต่ำน า, น, านาทียีสีคุณลักษณะผู้เจริญไม่มีวันตกต่ำดูนะมีทั้งหมดสิบสองข้อข้อที่หนึ่งไม่กลบเกลือนเมื่อถูกว่ากล่าวตักเตือนอันนี้เราคงเข้าใจ พ, พูดสรุปโดยง่ายๆก่อนนะว่าผู้ที่จ ะ, จะเจริญแล้วก็ไม่มีวันตกต่ำโดยเฉพาะในแง่มุมของการที่เนี่ยเวลาโดนติเวลาโดนเตือนเวลาโดนว่ากล่าวแล้วเราก็ไม่กบเกลือนสังเกตดูสภาวะที่จะกบเกลือนเนี่ยเพราะว่ามันยังมีจิตที่เอานึงอาจจะอายนะ สองาจจะแบบว่ากลัวเสียหน้าเสียชื่อเสียอะไรกัฮะก็เหมือนกันแหละเสียเครดิตก็คือเสียชื่อเสียหน้าเสียฐานะเสียอะไรอ่ะกลัวว่าจะเสียความศรัทธาเสียความที่คนเขาจะ เชื่อถืออะไรเงี้ยนะมันหลายๆอย่างมันก็เลยทําให้บางทีเนี่ยเราก็เลยกบเกื่อนนะเวลากบเกลื่อนนี่อย่างเช่นยังไงอย่างเช่นเ้าติเขาว่ามาเนี่ยแทนที่เราเราจะยอมรับโดยตรงๆเนี่ยโดยมีนิสัยของคนตร ง, ตร ง, ตรงบางทีเราไม่กล้ารับไม่เพียงแต่ไม่กล้ารับนะเรายังพูดอีกด้วยเรายังปฏิเสธหรือว่าเรายัง เอาเรื่องนั้นมาพูดเอาเรื่องโน้นมาพูดเพื่อที่จะให้มันอะไรอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องไปหรือว่าแทนที่จะคุยเรื่องเนี้ยให้มันเจาะลึกให้มันเข้าประเด็นเนี่ยก็ไม่อ่ะเราก็เอาไอ้มุมนั่นไอแง่โน้นอะไรมาพูดเขาเรียกว่ากลบเกลื่อนเพื่อที่จะทําให้เหมือนกับว่าไอเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกเราไม่ได้ผิดอย่างนั้นหรอกหรือถ้าผิดเราก็ไม่ได้ผิดถึงขั้นอย่างนั้นหรอกอย่างเงี้ยคือมันมันมันจะกลบเกลื่อน มัรนนี่ถึงขั้นพูดออกมานะแต่ถ้าบางคนเนี่ยใจเราอยากจะกบเกลือแล้วเรารู้สึกว่าไงเราทั้งอายทั้งเสียหน้าเรานะแต่คนนี้ยังเอพอจะจับอารมณ์จับความรู้สึกตัวเองได้ว่าเอเอนี่มันขึ้นมาแล้วนะมันกำลังจะพูดละแต่เราจับได้แล้วเราก็พยายามระงับอารมณ์เราเพื่อที่ไม่ให้พูดมันอาจจะพูดในใจนะมันอาจจะพูดเถียงอยู่ใน ใ, นใจหรือพูดกบเกลือนอยู่ในใจ แต่ก็ยังบังคับปากเอาไว้ได้ที่ไม่ให้หลุดออกมาเป็นคาพูดถ้าอย่างนี้ถือว่าถือว่ายังดียังมีความสามารถหรือมีความอดทนอดกลั้นที่จะยับยั้งใจไว้ได้น่าจากกนกระทั่งไม่ออกมาเป็นวจีกรรมแต่ถ้ามันไม่ไหวเนี่ยมันไม่อยู่มันหลุดออกม า, นานรักษาหน้าตัวเองไว้ก่อนรักษาชื่อเสียงไว้ก่อน เดี๋ยวเสียศรัทธาเสียชื่ออะไรอ่ะเสียผลประโยชน์เสียอะไรก็แล้วแต่ละ่ะมันจะเป็นลักษณะนั้นลองสังเกต ด, ดูเพราะฉนั้นเนี่ยเวลาจําได้ไหมยอย่างท่านพุทธทาสเนี่ยท่านจะสอนเอาไว้ถ้าคนมติมาว่าเรานี่นะโดยเฉพาะยิ่งเราปรนรณาไว้หมายถึงว่าเราเราเคยบอกไปแล้วว่าเออถ้าเราเนี่ยผิดพลาดบกพ่องอะไรยังไงไป จะรู้จะเห็นมาก็แล้วแต่ก็ติจริงเตือนเราได้อันนี้มันภาษาพูดแต่พอถึงเวลาจริงๆเข้าพอคนติคนว่าเราโอ้โหเราไม่ยอมเราไม่ยอมถ้าอย่างนี้แสดงว่าพูดก็เรื่องของพูดแต่โดยสภาวะจิตจริงๆคนนี้ไม่ได้ประวาลนาจริงเพราะการประวรณาจริงเนี่ยคือคือให้คนอื่นติเราได้ว่าเราได้ เราจะไม่เถียงเราจะไม่ไปแบบอะไรอะแก้ตัวอะไรยงต่างๆวันเนี่ยท่านพุทธทาสึงบอกว่าถ้าโดนติโดนว่าอะไรมาหุบปากลูกเดียวทนฟังรับให้ได้น่าจะไม่มีการมากล่าวกบเกลื่อนหรือว่ามาแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นโอ้โหซึ่งยากนะเพราะจริงๆแมมใจมัน ค, ค, คือขนาดหุบปากเนี่ยใจมันก็เถียงหน้าดูแล้วแหละขนาดว่าเราหุบปากไว้อะ วันยิ่งถ้าเราเรากั้นไม่อยู่เนี่ยมันหลุดแน่นอนอย่างน้อยน้อยนะบางคนสังเกตดูนะบางคนเนี่ยต่อหน้าเจ้าตัวเราพอจะทนได้นะพยายามอดกั้นไว้ได้แต่พอบางทีเนี่ยรับหลังเจ้าตัวกู้กรณีแล้วโอโ้โหอดไม่ได้เลยคราวนี้ระบายใหญ่เลยเทเทอะไรอะเทออกมาเป็นลูกคลื่นเลยละ่ะน่าเป็นคลื่นกระทบฟังเลยบางทีอะ ให้สังเกตดูบางคนเนี่ยเก่งได้ระดับหนึ่งแล้วอดทนอดกลั้นได้ต่อหน้านะเรียกว่าไม่เถียงเข้าไปไม่ไม่ไมกโกรธไม่ไปอะไรอะ่ะด่าเขากลับไปอะไรเงี้ยไม่ถึงขั้นนั้นแต่ในที่สุดแล้วก็ยังอดทนไม่ไหวบางคนเนี่ยไอตอนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยทนได้บังคับได้พอพอเหตุการณ์นั้นผ่านไปแล้วนะเออกลับมาคิดคิดไปคิดมาขึ้น นี้ไปขึ้นมาเนี่ยโอ้โหอารมณ์ขึ้นไม่ยอมคราวนี้ไม่ยอมเนี่ยโอ้โหไปพูดกับคนโน้นไปพูดกับคนนั้นต่างๆนาน า, นามีอีกเหมือนกันนี่เก่งระดับหนึ่งแต่ก็ยังต้องมามาเสียอีกขั้นตอนหนึ่งจนได้นะแล้วก็ข่าวนี้นี่ยิ่งไม่มีคู่กรณีนนด้วยนะเราพูดข้างเดียวเราก็แก้ตัวโอ้โหสะบัดเลยละคราวนี้ เพราะว่ามันข้างเดียวแล้วเนี่ยเราข้างเดียวเพราะนั้นเราก็พูดได้เต็มที่ได้เต็มเหนี่ยวแต่มีบองกันบางคนที่ไม่กล้าเถียงออกไปไม่กล้าพูดออกไปเนี่ยเพราะกลัวว่าจะยิ่งโดนหนักกว่าเดิม <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นก็เลย <c oughs> <c oughs> เลยหุบปากซะอะ่อันนี้ก็หุบปากเพราะความที่เราเรากลัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้า จะให้ดีถ้าเราผิดพลาดหรือว่าแม้บางทีเราไม่ผิดนะในในในเรื่องนั้นที่เขาว่ามาเนี่ยแม่เราไม่ผิดก็ตามแต่แต่ถ้าเราเองเราสามารถที่จะอะไรอะ่ะสามารถที่จะอดทนได้แล้วรับฟังได้อาจจะยังไม่อะไรอะ่ะไม่ได้พูดออกไปในตอนนั้นนะเพราะว่าบางครั้งอะ่ะคนที่เข้ามาติเข้ามาว่าหรือเข้ามาเตือนเรา เขาอาจจะมีอารมณ์ก็ได้อ่าบางคนนี่นะว่าอย่างน้อยเราอดทนอดกั้นไว้มันก็จะช่วยทำให้เขามีความรู้สึกว่าเออเรานี่รับฟังเหตุผลใช่ไหมแต่ถ้าบางทีเนี่ยเขาว่ามาทีเราก็สวนไปทีเขาว่ามาทีเราก็สวนไปทีรับรองเลยต่อให้เรามีเหตุผลดียังไงก็ตามเขาจะไม่ยอมรับเราเพราะเขามีความรู้สึกว่าโอ้โห เถียงไม่ตกฟากเลยเขาจะรู้สึกว่าอย่างนั้นเพราะเนี่ยท่านพุทธทาสท่านถึงได้บอกไว้อย่างนั้นนะว่าว่ายังไงคนติคนว่าอะไรมาพยายามหัดเงียบไว้ก่อนณนะอันนี้เป็นของท่านพุทธทาสแต่ถ้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าใครติใครว่ามาถ้าเราผิดต้องกล้ายอมรับผิดเลยอย่ามาเฉโกอย่ามาเฉฉัยตัวเองถ้าผิด เราผิดเจ็สิบเอร์ซนาก็ยอมรับเลยว่าเออผมผิดเจ็ดสิบเอร์เแต่ไอ้ส่วนที่ไม่ผิดเนี่ยสักสามสิเอร์เซผมว่าผมไม่ผิด <c ười> คือให้ตรงเลยให้มีสัญชาติของคนตรงผิดแค่ไหนก็ยอมรับไปตามนั้นพุทธเจ้าท่านเอาอย่างนั้นเลยแล้วถ้าเราไม่ผิดในส่วนที่เราไม่ผิดพุทธเจ้าก็บอกว่าเราบอกได้เราอธิได้อธิบายได้ว่าเออส่วนนี้เราไม่ผิดนะท่านให้อธิบาย พุทธเนี่ท่านท่านให้ทําไปตามสัจจะนะไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าเขาเขาติเขาว่าอะไรมาหุบปากอย่างเดียวฟังอย่างเดียวไม่เอาพุทธเจ้าท่าไม่เอาเงินแต่ท่านพุทธทาสท่านให้ให้อย่างนั้นก่อนเพราะว่าโดยกิเลสคนเราเนี่ยมันมักจะรักษาหน้ามักจะเถียงก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านพุทธทาสท่าเลยหุบปากไว้ก่อนรับมาลูกเดียวเท่านั้น แ ต, แต่ผู้เจ้าท่านไม่ผู้เจ้าท่านมีทั้งให้ใช้ทั้งเจโตด้วยให้ใช้ทั้งปัญญาด้วยสําหรับผู้เจ้าน ะ, อ, ะอันนี้ข้อที่หนึ่งเนี่ยไม่กลบเกลือนเมื่อถูกว่ากล่าวตักเตือนดูนะถ้าถ้าใครมีลักษณะแบบนี้นะจ ะ, จะเจริญจะเป็นผู้จเจริญไม่มีวันตกต่ำํำดูข้อที่สองนิ่งฟังอย่างเปิดใจเมื่อถูกติเตียน ทั้งหมดนี่เป็นเป็นข้อที่พ่อท่านกำหนดขึ้นมาอาจารมาจาไม่ไดว้ว่าปีไหนแล้วเนี่ยพ่อท่านเคยเอามาเทศเอามาสอนถ้าอาตารมาจำไม่ผิดเนี่ยจะเป็นเป็นในงานปลูกเสกหรือเปล่าเนี่ยแต่ปีไหนไม่รู้จำไม่ได้นานแล้วนะพวกเราก็มีเนี่ยจดจดกันเอาไว้ ดูข้อที่สองนะนั่งฟังอย่างเปิดใจเมื่อถูกติเตียนโอจริงๆแล้วมันนั่งฟังอย่างเปิดใจยากนะเนี่ยเป็นการวัดวัดภูมิวัดบารมีวัดการฝึกฝนว่าใครฝึกฝนมาดีหรือไม่ดียังไงโดนสรรเสริญนี่ไม่เท่าไหร่หรอกมันมั น, ม, นมันยังง่ายแต่ถ้าโดนติเตียนนี่สิน่าจะนั่งฟังอย่างเปิดใจมัน แม่มันยากเพราะโดยปกติเนี่ยคนเรามันจะมีกิเลสป้องกันตัวมันจะมีกิเลสตัวป้องกันตัวไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมาติใครมาว่าเนี่ยทันทีเลยไอตอนแรกเนี่ยฟังเนี่ยอาจจะเปิดใจแต่พอโดนติโดนว่าเขา้าคราวนี้เนี่ยมันไม่ได้เปิดใจแบบเปิดใจนี่หมายถึงว่าเปิดเพื่อที่จะรับฟังว่าคนอื่นเนี่ยเขาว่าเราผิดยังไง อาติเตียเนี่ยคือเขาว่าเราผิดยังไงคราวนี้ไม่ละมันเปิดเหมือนกันแต่มันเปิดรับเพื่อที่จะอะไรอ่ะดเดี๋ยวดีดกลับอ่ะ <laughs> เปิดลับเพื่อแบบว่าเดี๋ยวจะดีดกลับคืออะไรคือฟังเพื่อที่จะหามุมหาช่องหาเหลี่ยมที่จะแย้งกลับยังไงหรือจะโต้กลับยังไงเพื่อที่จะรักษาตัวเราว่าเราไม่ผิดอย่างนั้นหรอกนะแต่ตอนนี้ ข้อที่สเนี่ยพ่อท่านถึงก็บอกว่าต้องนิ่งฟังอย่างเปิดใจหมายถึงว่าเราจะต้องฟังอย่างผู้ที่พร้อมอ่ะพร้อมที่จะยอมยอมรับในความผิดของเราคือจะต้องค่อนข้างจะต้องตั้งอันนี้ขึ้นมาเพราะบอกแล้วว่าส่วนใหญ่คนเราเนี่ยมันมักจะมีลักษณะที่กูถูกไว้ก่อนนะจะไปแบบว่ากูต้องถูกไว้ก่อน จะมีมันจะมีกิเลสตัวเนี้ยปักเอาไว้อยู่ในใจของเราอยู่แล้วเพราะนั้นมันต้องสลายอันนี้ลงไปนะการนั่งฟังโดยเปิดใจเนี่ยไม่ใช่ยืนนะบางทีมันนั่งไม่ติดเนี่ยมันนั่งไม่ติดนี่มันจะจะยืนแล้ะถ้ามันยืนไม่ติดนี่มันจะจะเดินแล้วเอมันจะมันเปิดใจไม่ไหวเพราะฉนั้นที่บอกว่านั่งฟังอย่างเปิดใจนี่หมายถึงว่ามันยังสงบนิ่งได้อยู่นะพยายาม สงบระงับใจระงับอารมณ์เรานะที่จะแบบว่าฟังว่าเขาเนี่ยจะว่าเรายังไงคือพร้อมพร้อมที่จะฟังการติพร้อมที่จะฟังการโดนว่าซึ่งไม่ง่ายเลยนะแต่มาเคยเคยนึกถึงแม้แต่สภาพตัวเองเนี่ยเวลาคนคนมาติคนมาว่าเราเนี่ยขณะบางทีไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ได้ เรารู้สึกเหมือนกันนะว่าโอ้โหมันต้องมันต้องปรับใจต้องปรับใจเพราะว่าบางทีฟังมาเนี่ยอาจารมาบอกแล้วว่ามันจะเถียงอยู่เรื่อยจะเถียงอยู่เรื่อยว่าเอ๊ะอย่างงั้นสิอย่างนี้สิมันจะเถียงอยู่เรื่อยเลยคือคือจะให้เปิดใจรับว่าว่าเอ้ยเอยอย่างนี้เราผิดใช่แล้วแหมมันไม่ค่อยยอมอะ่ะใจมันจะคิดว่าเราถูกอยู่เรื่อยอันนี้อาจมาถึงบอกว่ามันยากจริงๆแล้วบางทีเนี่ย เขายังพูดมาไม่จบเลยอ่ะคือมันทนฟังที่จะให้เขาพูดมาให้จบเนี่ยไม่ได้มันรู้สึกว่าไม่ได้ฮนะเดี๋ยวเขาว่าเราเยอะเกินไปอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องต้อ ง, องเอาเอ า, เอาขอแทรกก่อนนะขอขอแบบว่าตอบตรงนี้ก่อนเหมือนไอ้เห็นแม่ที่เข้าประชุมสภาเขาเขานั่งไม่ติดจริงๆเพราะเขารู้สึกว่าไม่ได้ฮนะโห อ, อย่างนี้เราเสียหายมากเลยคือคือจะทนฟังเนี่ยไม่ไหวเพราะว่า ไ อ, อ้สภาพจิตที่มันมีอยู่เนี่ยมันทำให้มันทนไม่ได้ทนไม่ได้มันจะต้องแบบว่าขอโต้ตอบขอโต้ตอบอ่าโดนพลาดพิงโดนพลาดพิงเพราะฉะนั้นขอโต้ตอบหน่อยมันจะเป็นอย่างนี้โดยโดยโด ย, โดยจิตคนเรามันจะแบบว่านิ่งๆสงบแลงับเหมือนพระพุทธเจ้าบ่อยให้นางนจิจมาวิกามาด่าเอาด่าเอาเงี้ยนะแล้วก็ ใจสงบดิ่งแจ่มใสดังพระจันทร์วันเพนเขาบอกว่าพระจันทร์เมื่อวานนี้จะเห็นดวงใหญ่ที่สุดอ่ะเพราะว่าอยู่ใกล้โลกที่สุดเขาบอกนะเขาบอกอนั่นแหละแล้วเมื่อวานกับวันเพนใช่ไห ม, หมวันบรรพระวันพระใหญ่นั่นแหละวันโอ้โหมันทำใจยากนะเพราะฉะนั้นบางทีพวกเราลองฝึกบ้างอาตมาอยากแนะ คุณไม่ต้องเอาเรื่องใหญ่หรอกไอ้เรื่องใหญ่เนี่ยคุณทนไม่ได้อยู่แล้วแหละบางทีเนี่ยเรื่องเล็กเรื่องน้อยที่คนเขาติเรามั่งเขาว่าเรามั่งทั้งทั้งที่เราไม่ผิดอะ <c oughs> คือส่วนใหญ่นะถ้าคุณผิดจริงๆเนี่ยบางทีคุณถ้าคุณไม่โกหกตัวเองนะพอจะทําใจยอมรับได้อยู่เพราะเรารู้สึกว่าเออเราผิดแต่ถ้าเรื่องไหนเนี่ยคุณคิดว่าคุณไม่ผิดเนี่ยแล้วเขามาติเขามาว่าเรื่องนั้นแหละคุณจะนิ่งมาอยู่ <c oughs> ให้ไปสังเกตดูว่าแหมมันปากระยิบยับอ่ะปากมันมันอยากจะเถียงอ่ะมันอยากจะเถียงกลับอ่ะเออจะเป็นอย่างงาั้นไปสังเกตดูสิอาตมาอ่ะถึงบอกว่าบางครั้งเนี่ยพยายามมันก็ น, ก น, นะทาใจบางเรื่องเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะคนเข้าใจเราผิดแล้วนะเราไม่เป็นอย่า ง, งานั้นน่ะ <S <S นึกเลยนะว่าเอ๊ะเดี๋ยวต้องไปพูดเดี๋ยวต้องไปบอกเดี๋ยวต้องไป แ, แก้ข่าวนอยอะไรอย่างเงี้ย แต่พอวันไหนจะฝึกเนี่ยคิดว่าเออช่างมันเนะี่ยบางเรื่องมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรนักอะ่ะหรือบอกตรงๆเลยก็ได้บางเรื่องเนี่ยเออปล่อยให้คนหัดหั ด, ห, ดหัดทําใจแล้วอะ่ะคนเข้าใจผิดแล้วบ้างก็เอาเราลองดูซิเอาประโยชน์ตนอะ่ะประโยชน์ตนของเราเราลองดูคือมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตไม่ใช่ถึงกับเรื่องที่มันจะเสียหายอะไรมากมายนัก น, นะแต่เราจะฝึกตัวเราเพราะนั้นบางทีเราก็หัดบ้างเออเอาเขาเข้าใจเราผิด เราลองฝึกดูที่บางคนอี่ยเดินเจอเราเงี้ยเอาละบ่นมาให้เราฟังละพู้เสียงทาเป็นพูดเสียงดังๆมาใส่หูเราดังนั้นนี่จริงๆเขาเข้าใจผิดอะ่ะแต่เราลองฝึกทำใจยูที่ว่าเออเราเราจะยังทำใจให้มันสงบให้มันนิ่งได้ไหมนะเป็นแค่พระจันทร์อย่าเป็นถึงขั้นพระอาทิต์ที่ร้อนแรง น่าจะเป็นถึงขั้นนั้นได้ไหมลองฝึกคือคนเราเนี่ยมันไม่มีภัสสะมันไม่มีเหตุการณ์จริงๆมาให้ทดสอบมาให้พิสูจน์มันก็ไม่รู้ตัวเองเหรอกบางคนเนี่ยคิดว่าเอ้ยเราไม่ปีอย่างนั้นแ่ะเราไม่เป็นอย่างนั้นน่ะแต่ความจริงๆโอ้โหพอเจอเข้านะทนไม่ได้เลยเพราะไม่ได้ฝึกเพราะฉะนั้นสังเกตไหมในศาสนาพุทธเนี่ยพระเจ้าถึงให้มีการชี้กลุ่มซัทบ ให้มีการว่ากล่าวติติงเตือนกันได้แล้วก็ให้เปาวรณาด้วยให้แบบว่าให้ขอเลยนะให้ขอแล้วก็บอกกับคนอื่นเลยนะว่าว่ากล่าวตักเตือนผมได้นี่นี่คือศาสนาพุทธเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยท่านจะให้พวกเราเนี่ยได้ฝึกฝึกคนที่จะอดทนได้จริงเนี่ยคือคนที่โดนติโดนว่าแล้วก็ยังทนได้ สวยคนได้ครับคําชมหรือว่าได้อะไรอย่างงี้มันไม่ต้องทนอะไรเนี่นะจริงๆมันต้องทนเหมือนกันแต่มันคนละมุมอแต่นี้พูดในมุมที่เกว่ามันก็ไม่ได้ต้องทนอะไรอะคนมาชมเราอย่างเ ง, งี้ก็น่าบานไปเท่านั้นเองนะมันไม่อึดอัดมันไม่ขัดเคือมันไม่กุ้มใจอะไรใช่ไหมถ้าโดนโดนชมอะ่ะเ อ, อหน้าบานเป็นเขาเรียกยัหน้าบานเป็นจาเนเทินอะไรนะเขาสำโดนเขาฮะ จางอะไรนะจานเชิงไปไง เ, ออเชิงจานอะไรอ่จา์เชิงเนี่ยเล อ, อใบใหญ่ๆบา น, บานอัตามาก็จะยินแต่ตำนวนนะแต่ไม่รู้่ไอจานเชิงมันเป็นยังไง <c oughs> อ, อ๋อไอแบบนั่นใช่ไหมไอที่เขาทำไอดอกไม้ไบพรอย่างง้ใช่ฮะแบบพานะ่ะใช่ ที่ที่มันมีขาไงขางลางเล็กๆแล้วก็บานขึ้นมาใหญ่ๆนะนั่นแหละเพราะอันนี้ไม่ง่ายเลยนะที่เราเนี่ยจะนิ่งฟังได้ทำจิตให้มันเย็นๆเหมือนกับพ่อท่านบอกว่าเนี่ยแต่งเพลงผู้แพ้ผู้แพ้เนี่ยคนเรามันใจจริงๆมันยอมรับความพ่ายแพ้ไม่ยอมไม่ง่ายนะ ยิ่งใครมาติใครมาว่าเราเร า, เรารู้สึกเราเสียหน้าเราเสียเกียรติมันเหมือนกับผู้แพ้คนเรามันไม่ยอมมันไม่อยากเป็นผู้แพ้มันมันอยากจะเอาชนะมันอยากจะให้คนยกย่องมากกว่าเพราะนั้นอันนี้เป็นกิเลส ต, ตัวหนึ่งที่คนเราเนี่ยมักจะทนไม่ได้เพราะนั้นใครที่หัดเป็นผู้แพ้ได้เออจะมาจำสำนวนไม่ได้แล้วพ่อท่านเนี่ยเคยใช้เป็นเหมือนกับโศกไว้อะอะไรคือ ผู้แพ้เนี่ยใครจําได้ไหมใครพอจะจําสโลกได้ไหมเป็นเป็นแบบว่าผู้แพ้อะไรเนี่ยผู้แพ้ในโลกนี้ไม่ใช่เพลงไม่ใช่เพลงมันเป็นเหมือนกับสโลกลืมไปแล้วเนอะอัตมาก็ลืมเนะี่ย น, <laughs> นึกได้แต่ว่าเออมันมีอะไรคําอะไรอยู่อ่ะนะอันนี้ก็พูดถึงให้เราได้ ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้เจ้าถึงได้สอนให้มีขันติบารมีนะมีความอดทนอดกลัน้นนะจะมีขันติที่จะเป็นความอดทนอดกลั้นขึ้นมาเนี่ยธรรมะอ่าความอดทนอดกลัน้นเพราะส่วนใหญ่เนี่ยบางคนนี่มันอดทนนะแต่มันไม่อดกลัน้นมันกลั้นไม่อยู่มันพยายามอดอย่างทนเนี่ยแต่มันทนจนกระทั่ทงมันมัน ทนไม่ไหวแล้วก็คือกลั้นไม่อยู่แล้วมันไม่ยอมกลั้นเอาไว้แล้วมันระเบิดแล้วเพราะฉะนั้นต้องพยายามนะอดทนอดกลั้นแต่อย่าให้เป็นลักษณะเก็บกดอันนี้จะมาพูดบ่อยมากเลยอย่าให้เป็นลักษณะเก็บกดพยายามเมื่ออดทนเอาไว้แล้วนะรู้จักที่จะมาใช้สติปัญญาใช้พิธีการที่จะมาพูดคุยนะหรือว่ามาสอบถามเพื่อนๆก็ได้หรือว่า สอบถามท่านผู้รู้หรือว่าผู้ที่มีศีลสูงกว่าเราผู้ที่ปฏิบัติมายิ่งกว่าเราเพื่อที่ให้ความรู้สึกที่มันเก็บกดเอาไว้เนี่ยมันจะได้ระบายออกมานะอย่าอย่าไปแบบว่าไปเก็บกดเพราะว่าตายเดี๋ยวก็ตายนะใครไปอดทนแบบเก็บกดไว้อ่ะตายแน่ๆเพราะอย่าให้ไปเป็นความเก็บกดนะเดี๋ยวมันจะกดดันในจิตเราจนกระทั่งในที่สุด เราจะทนไม่ได้นา น, นั้นเป็นข้อสองส่วนข้อสามไม่เพ่งโทษผู้ว่ากล่าวติเตือนสั่งสอนโอ้ข้อนี้นี่แทบหนีไม่พ้นเลยนะจริงๆมันเป็นสภาวะจิตที่สูงขึ้นเพราะอะไรเพราะไม่มีใครชอบคนที่มาติเราโดยปกติไม่มีใครชอบนี่นี่พูดแบบกิเลสนะไม่มีใครชอบคนมัติเราเพราะอย่างน้อยไอ้คนมามัติเราเนี่ยนะมันเหมือนมาข่มเราอะ มันเหมือนมันข่มเราเหมือนกับทาตัวเหนือกว่าเราอ่ะมันไม่ชอบยิ่งอะไรรู้ไหมยิ่งผู้น้อยมาติผู้ใหญ่อออืืยิ่งไม่ยอมเลยละ่ะถ้าผู้ใหญ่กว่าเรามาติเราเรายังพอยอมรับได้ง่ายใช่ไหมเออเพราะเรายกให้อ่ะผู้ใหญ่กว่าแต่ถ้าผู้น้อยกว่าหรือว่าคนเสมอกันกับเรามาติเราเนี่ยเราถึงเอ้ยเองจะมาแน่กับข้าหรือยังไง เองจะมาทำตัวเหนือข้าหรื อ, อยังไงวะเนี่ยอ่ามันมันจะไม่ยอมยิ่งโดยเฉพาะไอ้ไอ้พอฟัดพอเหวียงกันเนี่ยนะมันเหมือนกับจริงๆคือมันกำลังแข่งกันอยู่อะไอ้พอฟัดพอเวียงนี้ยนะเอ้ยเองกับข้าก็มารุ่นเดียวกันนะในในใชักชกจะชักจะทำเป็นเก่งกว่าข้าแล้วไหมล่ะเอ่เพราะว่าบางทีไอ้ตัวเล็กกว่าเราน้อยกว่าเราบางครั้งเราก็เอ้ยมันมาทีหลังมันยังไม่รู้เรื่องอะไรเอ่เราก็ยังปลอบใจเราได้ แต่ไอ่พอๆกันนี่เออมาด้วยกันแล้ว่าเนี่ยเองกับข้าก็ฟังทำพร้อมๆกันนยู่แล้วก็ฟังพร้อมกันทุกทีอ่ะมากินข้าวมากินข้าวด้วยกันฟังธรรมก็ด้วยกันปฏิบัติก็พร้อมๆกันนั่นจะมาแซงข้าได้ยังไงเพราะฉะนั้นในทีสุดมันจะเพ่งโทษเวลาคนที่เข้ามาติมาว่าเราเนี่ยเราจะอดมีกิเลสตัวเพ่งโทษไม่ได้เพราะนั้นน่ะ คำว่าเพ่งโทษธรรมาบอกแล้วนะเพ่งนี่หมายถึงว่าการที่เราเนี่ยเอถ้าจะใช้ถ้าจะใช้เรื่องของสายตาเ่ยนะคือมันจ้องและเพ่งเนี่ยมันแบบมันจ้องนะมันมองอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่กระพริบลูกตาแล้วไอ้ที่จริงมันไม่กระพริบหนังตานะเออแล้วมันมันเพ่งเนี่ยมันเพ่งคือมันจ้องเขม็งเลยแต่มันเพ่งแบบไหนมันเพ่งแบบโทษ นั่มันจ้องที่จะเอาแต่ผิดไอ้ถูกี่หรือว่าเรื่องบวกๆเรื่องเรื่องที่จะเป็นอะไรอะ่ะกุศลเรื่องเป็นน้ําจิตน้ําใจเรื่องอะไรมันไม่เอาละมันจะจ้องแต่โทษแต่ภัยจ้องแต่เรื่องที่ว่าเอาเรื่องเอาราวกันนะเพราะฉะนั้นข่าวนี้ใครมาติใครมาว่าก็โอ้โหบางทีตาขวางใส่เลยบางคนนี่ไม่เถียงนะแต่ใช้สายตาเนี่ยแหละ พอเวลาเขาว่ามานี่มองเฉยนะมองเหมือนมีอะไรไหมมองเฉยแค่เนี้ยคนที่เขามาตีเขามาว่าเขาก็ชักไม่เข้าทีแล้วเมืองเขาก็เงียบแล้วเขาก็ต้องหยุดแล้วเพราะว่าตาแข็งเลยอ ะ, ะนั่นแหละเพราะฉะนัน้นไม่ไหวเลยอะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเห็นไหมแม้ปากไม่ว่านะแต่ตาดุ ฝากนี่ไม่พูดแล้วไม่เถียงแต่ตามองแบบแบบเชน่นที่เรียกว่าเหมือนตาปลาตายอะ่ะเคยเห็นไหมปลาตายอะ่ะมันตาไอ้มันตายเนี่ยอตามันจะเปิดใช่ไหมมันไม่ค่อยปิดหรอกเออว่ามันกลมโตบ้องมองมันเป็นอย่างนั้นอ่ะไม่ใช่ตาแจ๋วแววนะมตาแเ๋วแววสดใสก็ไปออย่างตาปลาตายมันแบบเหมือนคนไม่มี อะไรอ่ะชีวิตจิตใจะนะมองแบบแบบว่าอะไรอ่ะมองแบบไม่มีอะไร อ, อยากดา่าอยากว่าอะไรว่ามา <c oughs> นะมองแบบแบบไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกไม่มีอะไรก็มีไอแบบตาปาตายเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นมันมันไม่ใช่ไม่รับรู้นะมันแบบไม่สะดุ้งสะเทือนเนี่ยไม่สะดุ้งสะเทือน จะติมาจะว่ามาเออฉันไม่แคร์ใช่ไม่สนใจไม่ใส่ใจนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในใจอาจจะเพ่งโทษก็ได้นะไอลูกตาอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ในใจเนี่ยอาจจะเพ่งโทษเพราะอันนี้ระวังให้ดีถ้าเกิดเหตุการณ์หรือเกิดสภาพนี้ขึ้นมาเนี่ยเวลาคนเข้ามาติเข้ามาเตือนก็เหมือนกับคนเข้ามาสอนเราบางคนเนี่ยมีอัตตามานะจัดเรามีความรู้สึกว่า เราเก่งกับเขาเราเหนือกว่าเขาหรือว่าเราเนี่ยปกติสอนเขาแต่พอโดนตีกลับมาหน่อยโดนว่ามาหน่อยมันจะทนไม่ได้มันยอมรับไม่ได้เพราะรู้สึกว่าเอ๊ะอย่างนี้นี่เราเหมือนกับเราต่าต้อยคือบางคนเนี่ยยกตัวเองหรือว่าหลงตัวเองไวสูงเพราะฉะนั้นเมื่อโดนติโดนว่าเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเอ๊ะอย่างี้เราก็ต่าต้อยสิเอ๊ะอย่างนี้เราก็ไม่เอาอ่าวเลยสิ มันมันยอมรับอันนี้ไม่ได้ยอมรับความจริงหรือว่ายอมรับความผิดอันนั้นไม่ได้ทั้งทั้งที่ความจริงแล้วเนะี่ยมันผิดจริงแต่มันผิดแค่ตรงนั้นเนะี่ยแค่นิดหน่อยแต่คนนั้นเนะี่ยมีความรู้สึกว่าแม้นิดหน่อยฉันก็ต้องไม่ผิดเพราะคนเราเนี่ยมันชอบหลงตัวเองหลงตัวเองเนี่ยว่าถูกนี่ต้องค่อนข้างถูกมากๆหรือถูกรอยเปอร์เซ็นคนเราเนี่ย มักจะไม่ให้แบบว่าตัวเองเนี่ยผิดนิดผิดน้อยหรือว่าอะไรเนี่ยไม่ไม่ค่อยอยากให้ตัวเองผิดแต่ถ้าใครมีความรู้สึกว่าเรื่องนั้นตัวเองมีความผิดอยู่หรือว่ามีส่วนผิดอยู่จะไม่รู้สึกลักษณะนี้จะยอมรับได้ง่ายเพราะนั้นระวังแล้วสหรับข้อ3ามเนยนะเรื่องเพ่งโทษคนที่เขามาติมาสอนเราเนี่ยเพราะนั้นระวังตัวหลงตัวใครที่มีความหลงตัวในเรื่องอะไรคราวนี้อยู่ที่เรื่อง ใครไปชํานาญใครไปเก่งเรื่องอะไรมักจะหลงตัวเองว่าสิ่งนั้นเราชํานาญสิ่งนั้นเราเก่งสิ่งนั้นน่ะเรารู้มากกว่าคนอื่นจะหลงตัวอันนี้ได้ง่ายเพราะวพอใครมาติมาว่าเรื่องนั้นว่าเออเรื่องนี้คุณทําไม่ดีนะคุณทําไม่ถูกนะจิตมันจะไม่ยอมรับง่ายๆเลย